ผู้ถามกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นอัศจรรย์พระองค์ปรินิพานมานานแล้วถึง2 4ง0ปีเศษยังมีคนเลื่อมใสเคารพนับถือบูชาสักการะอยู่มากพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นธรรมะที่ดีเยี่ยมกว่าคำสอนของใครๆหมดธรรมะเหล่าใดที่เป็นอกุศลทรงสั่งสอนให้ละ ถ้าละได้แล้วพ้นทุกข์แล้วร้อนใจจริงธรรมะเหล่าใดที่เป็นกุศลทรงสั่งสอนให้เจริญถ้าเจริญขึ้นแล้วยอมเดียรับผลสงบระงับร่มเย็นเป็นสุขได้จริงๆตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายปรินิพานมานานแล้วเราไม่ได้เห็นพระองค์ คงได้ฟังแต่คำสอนประพฤติปฏิบัติตามได้รับความโปร่งใจไม่มีความร้อนเพราะเหล่าอากุศลมาครอบงาใจคงมีแต่ใจที่เป็นกุศลเรื่นเริงอยู่ในสัมมาปฏิบัติจึงรู้สึกเห็นพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีอะไรจะสนองพระคุณจึงได้ตั้งใจปฏิบัติตามจนเต็มความสามารถเพื่อเป็นปฏิปฏิบูชา ตามพระพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงนิยมผู้ถามกล่าวว่าข้าพเจ้าศึกษาน้อยและข้อปฏิบัติก็ยังอ่อนส่วนท่านศึกษามากเข้าวัดมานานกว่าข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นจึงขอโอกาสเพื่อถามธรรมะที่ข้าพเจ้าสงสัยอยู่หลายอย่างบางคราวถึงกับงงไม่สามารถจะตัดสินด้วยตนเองได้ ตอบว่าข้าพเจ้าเต็มใจในการที่จะตอบยอมให้ท่านถ่ายความรู้ที่มีอยู่ในตัวบางข้อที่ข้าพเจ้าไม่รู้ไม่สามารถจะตอบท่านก็เป็นการจนใจผู้ถามกล่าวว่าคนชอบสุขไม่ชอบทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่บางคนทาเหตุของสุขบางคนทำเหตุของทุกข์ยอมเด้รับผลต่างกัน ก็การเกิดเป็นคนมีตนเป็นที่รักเหตุไรจึงทํากรรมที่เป็นอกุศลบ้างกุศลบ้างต่างๆกันดังนี้ขอท่านจงอธิบายข้าพเจ้าเข้าใจเพราะความเห็นผิดดัมริผิดกรรมอย่างเดียวเช่นฆ่าสัตว์ขายเลี้ยงชีวิตเห็นเป็นความเจริญหรือการลักทรัพย์ก็เห็นว่าเป็นความรวยคือได้มาปลอบเปล่า แม้ความชั่วอื่นๆก็เห็นเป็นความดีจึงตั้งใจทำกรรมที่เป็นอกุศลส่วนผู้ที่เห็นชอบดําริชอบประกอบด้วยศรัทธาจึงไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลมีค่าสัตว์เป็นต้นและละเหล่าอากุศลวนอื่นๆตั้งใจทำกรรมที่เป็นกุศลข้าพเจ้าสังเกตดูท่าน ผู้ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในวัดข้อปฏิบัติทำไมจึงต่างกันบางท่านมีศีลอันงามมีธรรมะอันงามเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมน่านำมาซึ่งความเลื่อมใสบางท่านไม่มีศีลอันงามไม่มีธรรมะอันงามและทากรรมอันไม่ควรไม่สมกับอยู่วัดไม่น่านำมาซึ่งความเลื่อมใส ผู้ปฏิบัติดีย้ายบ้านแล้วท่านก็ย้ายใจด้วยคือออกจากกามด้วยกายแล้วก็ออกด้วยใจที่ในองค์มรกแปเรียกว่าเนคขมมะสังกับโปความดำริออกจากกามถามว่าก็ท่านผู้ย้ายบ้านแล้วไม่ย้ายใจมีลักษณะอย่างไร ขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจท่านผู้ย้ายบ้านแล้วไม่ย้ายใจคืออัธยาศัยใจคอเคยเป็นผู้หมวกมุ่นติดอยู่ในกามหรือเคยมีความยินดีติดอยู่ในอารมณ์อะไรๆในโลกและเป็นผู้เกียจคร้านไม่ปราลบความเพียรเพื่อจะละอกุศลและไม่เจริญกุศลเป็นผู้ประมาทมาก ไม่เห็นภัยในอบายไม่เห็นภัยในสังสารวัติไม่เห็นโทษของกามไม่เห็นอนิสงของเนคขมมะเพราะฉะนั้นคงอยู่วัดแต่กายส่วนใจนั้นอยู่นอกวัดมีความเห็นผิดดัมรีผิดเป็นโคจระหรือโคจรคืออัธยาศัยใจคอเมื่อครั้งอยู่บ้านเป็นเช่นใดรันมาอยู่วัดก็เป็นเช่นนั้น นี่หละผู้ย้ายบ้านแล้วไม่ย้ายใจข้าพเจ้าฟังท่านอธิบายถึงผู้ย้ายบ้านแล้วไม่ย้ายใจเช่นนั้นคงอยู่วัดไม่ได้นานต้องกลับเข้าบ้านตามเดิมนี่แหละอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่ออกจากวัดก็ต้องเอาวัดทำบ้านคือติดราบสักการะ จิดดูแล้วนาสลดใจในการที่เห็นผิดดำ m รีผิดเพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้ละมิชาทิฏฐิมิชาสังกปะและให้เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะนี่มาเปลี่ยนปฏิปทาเสียประพฤติตรงกันข้ามกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมะเหล่าใดเป็นส่วนอกุศลทรงสั่งสอนให้ละ กลับเจริญให้มากขึ้นธรรมะเหล่าใดเป็น่วนกุศลทรงสอนให้เจริญกลับละเสียตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความเจริญงอกงามในธรรมาวินัยเป็นการเสียผลของตนเองเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคประกอบด้วยพระมหากรุณาซึ่งตรัสสอนสาวก ในทศธรรมสูตรมีเนื้อความว่าธรรมสิบเหล่านี้บรรพชิตควรพิจารณาทุกๆวันคือหนึ่งบัดนี้เรามีเพศต่างจากขรือหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสอง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 ห้าผู้รู้ใครครวนแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่หกเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเจ็เรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วแปด วันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ 9. เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ 10. คุณนวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตมาถามเมื่อภายหลัง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 ผู้ปฏิบัติเห็นโทษของกามทั้งหลายเหล่านี้จึงดาริออกและละความยินดีห่วงใหยอะไรผัวพันในกามเหล่านั้นเสียได้ชื่อว่าเนคขมะสังกโปดาริออกจากกามเนคขมะสังกโปดาริออกจากกามข้าพเจ้าได้ความชัดเจน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 และความเบื่อหน่ายในปัญจขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดในคันทั้งห้าคือรูปวิราคะอริยมรรคพ้นจากอาสวะคือวิมุตอริยผลนี่เป็นชั้นละสังโยชน์เบื้องบน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 อะไรห่วงใยกังวลพัวพันยึดถือหนักใจไม่โปร่งเมื่อคนรักเหล่านั้นวิบัติไปเจ่นตายเป็นต้นก็เกิดทุกขโทมนัสเศร้าโศกเสียใจอะไรคิดถึงถ้ารักมากก็โศกมากสมด้วยพระพุทธภาษิตคถาธรรมบทปิยวัคที่16หว่า เปมโตชายเตโซโกโความโศย่อมเกิดแต่ความรักเปมโตชายเตพยังภัยย่อมเกิดแต่ความรักเปมโตวิปมุตตสันัตติโซ โ, ซโกโกุโตพยังความโศไม่มีแกผู้พ้นแล้วจากความรักภัยจะมีมาแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้น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 มีความโปร่งและเบาใจไม่หนักมีจิตเย็นเป็นสุขและเป็นข้าศึกแก่พยาบาทโดยตรงและได้รับอันนี้สงสิประการด้วยตามแบบที่ท่านแสดงไว้ในเมตานิสังสสูตรว่าสุ ข, ขังสุขปฏิหลับก็เป็นสุขสุ ข, ขังปฏิพุทติตื่นก็เป็นสุข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 นาสะอากิวาวิสังวาสัตทังวากรมติไฟหรือยาพิษหรือสตราย่อมไม่ต้องผู้เจริญเมตานั้นคือทำอันตรายไม่ได้ตัวตั้งจิตตังสมาธิยติจิตของผู้เจริญเมตาย่อมมั่นเป็นสมาธิเร็วมุคาวันโนวิปัสสีธติสีหน้าของผู้เจริญเมตาย่อมผ่องใส สาสมโลหกาลังกโรติย่อมมีสติไม่หลงตายอุตริงอปฏิวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติเมื่อยังไม่สำเร็จพระอรหันต์อันยิ่งย่อมไปเกิดในพรหมโลก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 ให้ละราคะโทสะโมหะอวิชากับโมหะสองอย่างนั้นเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันอวิชาคือความไม่รู้อริยาาสัจสี่และปฏิจจสมุปบาทไม่ประกอบด้วยเจตนา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 ถ้าใจไปหมกมุ่นเข้าจะไม่เป็นความหลงและความประมาทหรือเพราะประโยชน์โลกนี้สีอย่างนั้นเป็นกามถ้าไปกำหนัดยินดีในทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ชื่อว่ากำหนัดในวัตถุ ก, กามขอท่านจงอธิบายข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าพระอริยสาวก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 ออเช่นนี้จึงไม่รู้เพราะราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นเสวยสุขขเวทนาโทสะความประทุษร้ายเกิดขึ้นเสวยทุกขเวทนาโมหะความหลงเกิดขึ้นเสวยอทุกขมสุขเวทนาเคยได้ยินเขาบนกันว่าเกิดกิเลสหรือร้อนใจอะไรอะไรเป็นเรื่องของโทสะทั้งนั้น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 ที่มีราคะรวมเป็นพวกเดียวกันกับโทสะและโมหะนี่แหละเป็นรากเงาของเราอากุศลเหล่าอื่นๆบรรดาที่เป็นกรรมวัตรฝ่ายบาปถามว่ากิเลสมีอย่างเดียวถ้าเราไม่รู้จักลักษณะแล้วจะละอย่างไรได้เพราะฉะนั้น การรู้จักแต่โทสะอย่างเดียวเท่านั้นดูเป็นการบกพร่องมากเพราะผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็รู้จักลักสณะของโทสะอย่างเดียวเหมือนกันตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงเวในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานให้พิจารณาเห็นในจิตนเนืองๆอยู่จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตหายราคะโทสะโมหะก็รู้ชัดว่าจิตหายราคะโทสะโมหะนิขพระเจ้ากล่าวโดยย่อเพียงสามอย่างเท่านั้นแต่จิตตานุปัสสนาสติปทานของท่านมี16อย่าง ผู้ถามกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนสาวกในมหาสติปทานสูตรให้รู้เรื่องในตัวคือกายเวทนาจิตธรรมเช่นจิตที่เป็นอกุศลหรือกุศลก็ให้รู้ตลอดกระทั่งขันอายตนะธาตุเพราะฉะนั้นพระสาวกของท่านจึงชำนาญในอริยสัจสี่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 เพราะฉะนั้นท่านจึงถึงมรรคและผลได้ง่ายตอบว่าถูกแล้วก็เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าการทากิจของอริยสัจสีต้องทำที่ในตัวเช่นกาหนดทุกทุกที่มีอยู่ในตัวตามความเป็นจริงคือขันธ์อายตนะธาตุนามรูป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 ทำไมจึงมีสติมากและเห็นทุกชัดเวลาหายเจ็บแล้วไม่เห็นทุกและสติก็น้อยต้องเพียรตั้งใจให้มีสติแต่ถึงเช่นนั้นก็ไม่เห็นทุก์เหมือนเวลาเจ็บตอบว่าเวลาเจ็บเสวยทุกขเวทนาเวทนาที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นธรรมารมคู่กับใจ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 เฉพาะทุกขเวทนาอารมณ์เดียวรานทุกขเวทนาเหล่านั้นดับไปเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนาจึงไม่เห็นทุกเพราะเป็นชั้นสมถะไม่ใช่เห็นทุกอริยสัตว์หรือเห็นทุกขไตรลักษณ์ที่เป็นชั้นปัญญาจึงไม่ทั่วไปในอารมณ์ทั้งปวง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 เขาก็รู้ว่าเจ็บเพราะวิญญาณนัขขันของใครๆก็มีด้วยการทุกๆคนเพราะฉะนั้นความรู้สึกทุกขเวทนาในเวลาเจ็บจึงเป็นลักษณะของวิญญาณนัขขันผู้ปฏิบัติมีสติสงบใจไม่มีนิวรณ์มาครอบงาใจนี่เป็นชั้นสมถะไม่ชื่อว่าเห็นทุกข์ที่เป็นชั้นปัญญาคงได้ชื่อว่าวิริยะ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 หกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันหรือรู้สังขารความนึกความคิดเป็นบุญเป็นบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันความรู้ธรรมารมคือเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เป็นลนักษณะของมโนบิญญาความรู้ทางใจใช่ไหม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 ทุกตั้งแต่โศกอความโศกปริเทวะความบ่นร่ำไรรำพันโทมนตสความทุกข์ใจอุปาญาตความคับแคนก็ล้วนเป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสัตว์และสังขารที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปิเยหิวิประโยชโธทุกโขความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ ยามปิดชังนราปติตมปิทุกขังปราถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นเป็นทุกข์สังคิตเตนะปัญจุปาทานคขันธาทุกขาโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกข์ของคนที่ประกอบด้วยกิเลสตั้งแต่โซกะจนถึงความยึดมั่นในขันห้าเหล่านี้ ไม่มีแกท่านผู้ไม่มีกิเลสและสุขเวทนาไม่มีในทุกขสัตย์ส่วนทุกข์ในไตรลักษณ์นั้นกว้างทั่วไปในสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองส่วนเวทนาก็รวมหมดทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคงรวมเป็นทุกขลักษณะ ดังพระพุทธภาษิต ท, ที่ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์และทุกข์ในไตรลักษณ์เป็นสภาวะทุกข์ล้วนไม่ประกอบด้วยกิเลสถามว่าทุกขเวทนา ทุกข์อารียาศสตร์ทุกในไตรลักษณ์ก็ต่างกันเช่นเวลาเจ็บไข้ก็เป็นทุกขเวทนาเวลาหายเจ็บสบายดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสุ ข, ขเวทนาส่วนทุกข์อารียาศสตร์และทุกขในไตรลักษณ์ไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นสุขบ้างหรือตอบว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นสุข คงมีแต่ทุกส่วนเดียวเพราะชาติรามรณะทุกสี่อย่างนี้มีประจําอยู่ในร่างกายเป็นประเภททุกข์สัตว์เพราะฉะนั้นสุขในอริยสัต์จึงไม่มีคงมีแต่ทุกข์สัตว์ส่วนทุกข์ในไตรลักษณ์นั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนา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 ตอบว่าเพราะสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเป็นทุกข์อยู่เสมอไม่มีสุขผู้ที่ไม่รู้ความจริงอัธยาสาัยใจคอนั้นชอบสุขทุกข์ไม่ชอบจึงสแสวงหาอามิสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิัพที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาครันหามาได้ ก็กำหนัดยินดีติดอยู่เพลิดเพลินพัวพันเกิดสุขโสมนัสในกามเหล่านั้นรั้นกามารมณ์ที่ตนชอบเหล่านั้นวิบัติไปจึงเกิดความเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจเพราะกามารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครอง ถามว่าสุขที่เกิดแต่ความยินดีในกามไม่ใช่เวทนาขันส่วนเดียวมีกิเลสเข้าประกอบอยู่ด้วยส่วนเวทนานั้นเป็นทุกข์ความกำนัดยินดีนั้นเป็นสมุ ท, ทยัยแม้จะสแสวงหาก า, มมารมรมณ์ในโลกที่ดีๆมาให้มากสักเท่าใดก็คงได้มาสองอย่างคือทุกข์กับร้อน ตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นพระอริยส า, าวกผู้สดับแล้วฝึกใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคจึงไม่สแสวงหากรมไม่สแสวงหาภพเพราะความยินดีในกามในภพนั้นเป็นสมุ ท, ทยัยส่วนกามและภพนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารแต่ยังสแสวงหาพรมจรรย์อยู่ รอท่านยังไม่เสร็จกิจเช่นพระเสขะาบุคคลส่วนพระอเสขาบุคคลหรือพระอาหารหันนั้นเสร็จกิจแม้พระมรรจันทร์ท่านก็ไม่แสวงหาที่เรียกว่าอาริยว่าสธรรมพูดถามกล่าวว่า